ก็ค <c oughs> ิดว่าเ네ดี๋ยวต้องไปช่วยเขาเองครับก็ผมว่าฝึกอย่างนี้มันบรรลุกรรมธรรมชัดเจนคือแล้วก็มันก็แยกออกสมาถะาผมนี่ฝึกทางสมาถะกับพระสมุมสมนึกที่ปักไม้ลายตอนนั้นพากันไปที่ระยองตอนนั้นท่านประชายัางไม่ ย, ยังไม่สึกหลวงพี่ประชายัางไม่สึกตอนนั้นกาชวนพวกนักพัฒนาอีสานไปฝึกกันที่ระยอง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 แล้วก็ประทับใจที่ ท, ที่หลวงพ่อเทียนสอนหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนนี่ผมก็ตั้งข้อสังเกตหลวงพ่อเทียนบอกมองใกล้ๆมองใกล้ๆยกมือขึ้นอะไรทำนองเนี้ยวันหนึ่งที่ผมมาเฝึกกับหลวงพ่อวันคใกล้ ๆ, ๆจะวันสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายผมผมมันมีสมาธิรวมมันใกล้ผลเลยครับน้ําตานี่ไหลมาเปียกเสื้อหมดเลยมันมันเห็นสภาวะสภาวะเนี้ย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 กโกรดนานเดี๋ยวนี้ก็าหายไวครับครั บ, บทำํทำครับก่อนนอนก็ทําครับทําทําก็บางครั้งก็ชั่วโมงหนึ่งหรืบางครั้งก็สิบ้านาทีสิบนาทีก็มีแต่ถ้ามีโอกาสจะทํายาวครับทํานานๆทําทําจนรู้สึกสบายโล่เหมือนเหมือนไปล้างอะไรออกจากแต่ละวัน่แต่ละวันเราอาจจะสะสมเข้าไปใหม่ก็ไปยกมือนี่ล้างออกล้างออก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 เป็นเบื้องต้นที่จะเอาพิจารณาข้างในของเขาครับใช้ศิลปะใช้ศิลปะไปดูครับก็ก็ใช้ครับในความละเอียดในการสังเกตในความละเอียดอ่อนต่างๆในในศิลปะมันจะมีปรากฏอยู่ครับการตัดเส้นเนี่ยตัดยังไงให้มันเส้นมันลาบลื่นจุ่มสีพอดีตัดได้สวยอะไรเงี้ยหรือการลงสีลงยังไงให้มันเรียบอย่างเงี้ยครับ อันนี้มันกม็มันก็ต้องสอนตั้งแต่สติอย่ทั้งนั้นเลยว่าจะต้องมีสมาธิมีความจดจ่อมีความต่อเ น, นื่องและรับทักษะการทำเพราะว่าผมสอนผมสอนจิมัตไทยสอนแบบเทคนิคคนโบราณเลยครับจริงๆสิงปิัไทยนี่ก็เป็นของครูบาอาจารย์เป็นพระทั้งนั้นเลยที่ผ่านมากระรวญมามาทำกันทีหลังเขาเขาอยู่ในวิชาที่สอนด้วยครับ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 มันใช้ได้ดีไม่แตกง่ายแตกแล้วก็สามารถซ่อมได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีทนได้นานเหมือนกับจิตใจของเราฝึกฝนดีแล้วเนี่ยเป็นจิใจที่ไม่แยกแตกร้าอะไรกับใครได้ง่ายถ้ามันมีอะไรมากระทุกให้กระแทกให้เปลี่ยนไปก็ทำข้อหารูปเดิมได้ง่ายแล้วในช่วงที่ใช้ก็ปลอดภัยเพียงเกลา้านะมันคุ้มค่ากันแต่ทาไมคนส่วนใหญ่จึงไม่ตระหนักเห็น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 เวลานั้นว่าทําให้เป็นประโยชน์อยู่ปีอยู่ห้าอย่างเนี่ยท่านจึงเปรียบกุศลเนียจิตเหมือนยญ้าคาคําว่าหญ้าคากขาขุศลเนี่ย ม, ม, าามารากสามาเดียวกันหญยาคาภาษาอินเดียก็หญ้า ก, กุษาใช่ไหมเคยได้ยินไหมยญา ก, กุษาก็คือยากุศลนั่นเองหากุศลเอาคําว่ายากุษาเนี่ยมันจะเป็นชื่อของคาว่ากุศลอาจารย์ผ่อเคยได้ยินคํานี้ไหมไม่เคยนะ ประวัติของยาคาที่ผู้นิเจ้าสุธียาฟามถวายพู้นิจเจ้าแปะกังเมืองเอายาคาเนี่ยถวายทำไมไม่เอายาอื่นถวายก็ไมของวามว่ า, า, าไม่ใช่มักแปะมักแปเอามาถวายคือหมายถึงเป็นอุบายอ่ะหมายเพราะว่าตัวปัญญามันเกิดเป็นกุศลดังนั้นก็เรา